จะมาขอถวายพระพรสมมาหาบุตรวันนี้เป็นวันที่28มีนาคม2 5 2 1ซึ่งวันนี้จะมาพักอยู่ที่ อ, อ่าวไคลอำเภอแปลงจังหวัดเชยองเพราะว่าตอนหน้าที่จะได้พบกับมหาบุตรที่ภูเก็ต ร, ราชนีเทศ ในตอนนั้นอาตมากำลังป่วยเป็นไข่และหลังจากนั้นมาเวลาพระมหาวาษธกลับมาเมื่อวันที่ที่สามมีนาคมสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดพีก็เดินทางไปจังหวัดที่สุนโลกเพืเยี่ยมเยียนทหารในแกของทวันดาคนยากจนในสุนุรภัณาล ในวันนั้นธรมหาบอกพิธจะมีพระราชดำรัสคำถามเหตการหลายอย่างแต่ตูวมันว่าธรรมมาและต่ว่าจะพอนไปอาจจะได้เป็นโดยทางความประสงค์เราะหาบอกพิตธแต่รู้ก็พรว่าพระจัดทำงานได้น้อยเป็นทีหลังจากนั้นมาการไขก็กำเริบในที่สุดก็มีการไอิทธิ์วดขึ้น ระยะไม่กีวันมานี้ปลายปอด่าแพ้ต้องให้น้ำเปล่าแตมาถึงวันนี้ 6, เพียง6วันที่สี่โดยเฉพาะอย่างนี้แพ่ย์ต้องใมในการรักษาต้องมีแค่ยีหญิงวิรีและก็แพทหญิงวิวัรแลวก็นายแพทย์ คนนาวาเอกโทสนแลคน่คนคนตลกทีสมศักดิ์สบสูงวันคนเอกสวิสแพทหญิงลัชนชวนเป็นต้นทุกคนก็ม้ความกุศลาระอุปรมเป็นอันดีแต่ต้ว่าอาการไข้ร้อดจะมาในวันดีขึ้นมาไม่ได้แต่นี้งกระว่าร่างกายพุทโสมาก จะมาทราบดีว่าวิถีของชีวิตจะทรงอยู่ไม่นานทั้งนี้ก็เพราะว่ารายของสสงขันเข้าเสียทุกคนลับพาดและการที่จะทรงอยู่ได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยจังหระจิตและก็อาศัยมีความเคารพในองค์สมบดสธรรมนสามิ่รเป็นสำคัญ มีความใจสองอยูย่อย่างเดียวเื่อจะสุดผลบรรดาสดติญาณุสิทธิลูกลหลานทั้หลายให้มีใจรับเสาตาถนัดประโยชน์เพื่อจะเพื่อความทุกของตนเพ้่อเพ่งาก้วตาสงสารยินดิยามประมาณชีวิตตัว่างายของตนให้ตรงอยู่นี้ฉะนั้น ก็คงจะอำลาโลกนี้ไปสินานแล้วเพราะว่าจะทำคำสั่งสอนขององค์เสเด็จพรจิตแก้วองค์กําลังใจอาตมาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของพวกชนชาวไทยแต่เท่าที่จะเป็นไปได้จะเป็ น, นต่างกําลังความสามารถเท่านั้นแล้วก็มีความดีใจอย่างหนึ่ง อี่คณะจิตญานุจิตเจมันดาลูกหลานทั้งหลายมีความพอใจในธรรมทุกคนมีความพอใจในพระนิพพานแต่หากว่าคนทั้งหลายเหลา่านี้นั้นไม่มีความสนใจในพระนิพพานแล้วอาตมาต้องคงโยม า, าระลิกนี่ไปทีนานแล้ว ้าวสายที่กำลังจิตใจของเธอมีความรักในองค์สมรรเด็จพระพิแก้วมีความเข้าใจในผลิภานอาตมาก็พร้อมที่จะพรมานสังขารเพื่อส่งติตของเธอให้อยู่ในระดับการสงคน เมื่อทุกคนมีจิตตั้งอยู่ในระดับพอสมควรแล้วอาจจะมาก็าจะต้องขออํารานโลกนี้ไปสู่ตามสรัาวะที่คนจะเดินไปได้การที่ได้เข้าเข้าก็าามาหาบุพพิตในวันนั้นแต่กดก็จะมาหาบุพพิตรในเวลาและเหตุหลายประการแต่ด้ว่ากราะส่าจำลองอาตมาเวลานั้นมันทำงานได้น้อยเป็นไี การพูนถวายในวันนั้นเข้าใจว่าอาจจะไม่เป็นไปตามความประสงค์ก็งพระหาภพิตเป็นอย่างมากอาต่มาก็องาาษาษาษาต้องขอา่าทานัยเพราะว่าเรือชาตทางร่างกายแม่อ่อนยโดยเฉพาะย า, ยานี้ในวันนั้นพระมห า, มาะะก็พิตจนมีพระราชธรรัสว่ามีความต้องการธรรมะส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีการต้องการเหลือเป็ะพีเข้าไปกวาดคนที่พระราชเจ้าสมจะทอดทำโดยแท้เรื่องนี้เป็นที่พอใจพ่อแตมามากเพราะการกลา่าวทำที่จําเป็นที่ต้องใช้ตะพีและเปลืกปอกพระกระสมนั้นก็เพราะว่าต้องการกล่าวตามอัจฉรยะใส่ตัวบุคคล ข้าปเตือนให้คนทุกคนมุ่งแต่เนื้อทำโดยเฉพาะถ้ากําลังใจของเขาเหล่านั้นยังไม่ถึงก็จ ะ, จะเกิดความลังคานจะอากว่าไปพบบุคลคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเขา้าที่มีความต้องการเนื้อแท้จะเฉพาะอาจะมาก็มีความพอใจมากไม่อยากจะพูดเฉพาะเรื่องนั้นโดยเฉพาะ การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดงส่งแสดงรัรมเทิศนามาทั้งแปดหมื่นสีพันระตมะขันเนื้อแท้จร um ิงๆแล้วองค์สมเด็จพระพักตรวันมีความเดชสูงจะค่อยๆเปลาจิตใจของบรรดาบุคคลหลายให้เข้ามาจับจุดเฉพาะขันห้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้น ในเมื่อกำลังใจของเธอหลายเหล่านั้นยังเข้าไม่ถึงก็อยตาลายเป็นตอการังคาในเกิดขึ้นต่เมื่การแสดงทางพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ดีคเน่องจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจริงๆจะต้องแสดงหลายๆอย่างในแต่วันที่สุดสงเด็เพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาลงพายโดยอาญยสัต์ การถวายสักการในวันนี้อาจจะมีเสียงกระตุกกระชั่งอยู่มากเพราะก็เป็นแดนที่ไม่สงับนั่งอยู่ชายทะเลเสียงขึ้นซัดกะพบฟังอาจจะเข้ามาในเส้นขออง ย, งง ย, งยงายเสียงเสียงรถเสียงราเสียงคนพูดภายนอกอาจจะต้องเข้ามาในเส้นขยายเสียง อย่างนี้อัตะมาถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดมันเป็นของจิตโดยเฉพาะอย่างยิง่งพรมาหาบพิตรเอเสงตัดว่าพระอาจารย์เทศเอเสงถวายพระกรณ์พระมาหาบพิตรว่าจิตมีสภาพเหมือนกับน้ำในส่งที่น่นนี้ เพาจิตมีอารมณ์ปริ่มก็เพราะว่าอาศัยกระทบอารมณ์ภายนอกฉันแบพระอาจารย์วันได้ถวายพระพรจ า, า, ญญ า, พร า, ารกรพระมาหาวิปวายนั้นว่าจิตมีอารมณ์อยูอย่สององรารมณ์แปลเป็นคืออิทธารม์กับอนิจจารมทั้งสององค์ที่ถวายพระพรมาอาตมาเห็นด้วย แล้วกระตรงตาตาพุทธะสงฆพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอาจารยมาด้มองไปในท้องทะเลในท้องทะเลมีแก่แสงคลื่นใหญ่บ้างเล็กบ้างเข้ามากระทบฝั่งแล้วคิว่าตามธรรมดายแต่แสนน้ำมีสภาพหนอนนิ่ แต่เป็นเชื้อที่กลิ้งเข้ามาเป็นลูกใหญ่บ้างลูกน้อยบ้างแล้วเข้ามาจระทบปันและจะ ม, มีการหยุดยั้งเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปกติถ้าจะเที่ยว ก, กับจิตอย่างที่พระอาจารย์เทศถวายและ่อค่อนมาก็าจะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลใด มีกำลังใจในเก ล, ลือกกล้วยู่กกนททย ใ, ใ, ยในโลกกระทำทั้งแปดรายการยังมีลมสัมผัสพอใจว่าไม่พอใจฟังยในโลกกระทำทั้งแปดราการนี้ความพอใจจัดเป็นนิทรารมตามที่อาจารย์วันกล่าวความไม่พอใจเป็นนิทราลมตามที่พระอาจารย์อาจารย์วันกล่าวถาวายรพระอนมา ก้าบุกคนทางหลายยังทำใจคล้ายกับน้ำในทะเลที่ยังรักสัมผัสการกระต้องกระทั่งจากคลื่นจากลมลมทำให้น้ำมีคลื่นและก็ยังยืนอยู่ในท้องทะเลชั้นใดทุกคนประเทศ น, นั้นจะหาความสุขไม่ได้ในชีวิตชื่อว่าการจบ เิของบุคคลนั้นยังไม่มีแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดทัดทงใจของตนนี้เหมือนกับคนที่เดินอยู่บนตลิงลมแรง น, น้ำไม่สามารถ จ, จะทางจิตใจของเธอให้คลื่งไปได้ไม่มีคลื่นใหญ่ไม่มีคึื่นเล็กไม่มีการระทบฝั่งชั้นใด จิตใจขอกคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รนแล้จากจิตที่จะเกิดแก่เจิดตายต่อไปในภายภาคหน้าแต่มันจะแสนทะเลที่ปลายกดอยู่ต่อหน้าก็จะมาเวลานี้ยิงจัว่าเป็นําราที่ดีควรจการในสายพดาท่านพุทธริัสรับพระจานวันก็ดี พระอาจารย์เทตก็ดีได้ถวายสะพรได้มาหาบกพิษมแล้วนีอ้อาตมาถือว่าท่า น, นสง์ได้นาเอามาทำคาสั่งสอนพระองค์สเมเด็จพระจินาว ร, รมัสสะสัดาสมาสพุทธเจาาที่ผู้ต้องมาถวายรพระพไปแลว้วสำหรับที่ริมหาบอพิธมีพระราชประสงค์ แค่อาตมาถวายพระพรทำส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จตาถาามสัพพิเจ้าถวายแก่พระองค์นั้นอาตมาก็จะขอนำมาถวายพระพรการที่จะพึงนิคืนมาได้ในเวลานี้ ท่ น, นี้ก็หมายความว่าธรรมะพระองค์สมเด็จพระจินสีบรมาศาสนดาสัมมาสัพเจ้ามีมากยากที่จะเลือกทรรมใดๆให้ถูกกัตยาใสของพระองค์นี้ได้โดยโดยเฉพาะแต่ธรรมาก็มีความปลื้มปีติใจอยู่อย่างหนึ่งที่ในวันนั้นพระมหาบกวิจได้มีพร ะ, นะนราชดำรัสว่า การธรรมะโดยเฉพาะไม่มีคำว่าโกหากวามจริงในสมัยน่้ที่พระมหาพิพกขะกุฎมาที่จังหวัดสงขลาในวันนั้นโดยทรงจัดว่าการใช้พูดธรรม ม, มีการคำอมขบขันไปด้วยนั้นเป็นสองดี เป็นการจูงใจให้บคุคคลทั้งหลายเหล่านี้มีความประสงค์ในธรรมมากขึ้นช่วยในการเกิดเลยจุดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งของอารมณ์จิตที่ยังมีอารมณ์มีมีความเป็นสัมพันธ ม, มิตรอยู่ในโลกฉันแต่ต่อมาในเวลานี้พระมหาโมพิตมีพ ร, ระราชประสงค์ โดยจงเฉพาะันโดยแท้ที น, นี้ก็สแสดงเห็นว่าแต่แสน้ำประทัยเขาก็หากรโบุิพนั้นมีพระอารมณ์แนบสนิทอยู่ในรมโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ็่ล่าั้นทั่วทั่วไปก็เรียกว่าจิตเข้าถึงประมาตจิตเป็นจิตที่อรมณชิดตัดจุปดิเรกให้เป็นสมุทเฉกกระหนัน มีกำลังเทตะไยใหญ่กล้าหันพอจะล้างขงวันเกเรให้สิ้นไปได้ดังนั้นธรรมะพระองค์ต้องเลืจอมไตรบรุมสาสัจฉดาสัมมาสพัพพะเช้าที่อาต ม, มาจะถวายพระพในครานี้ก็จะนำมาในด้านเวทนานุปัสนามาหาสติปทานตักจิ ต, ตนุปัสนามาหาสติปทาน โดยเฉพาะาการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเขาต้องการสิ่งทั้งสองประการนี้เท่านั้นเป็นลานคือเินโถงกลางของจิตที่จะเข้าวิชิตกิเลสให้เป็นสมุทเฉตตระหรันแต่จิตใจเขาบุคคลพูใดยงืงกลางอยู่เฉพาะในจิตกางุกปัจนาก็ดี เราเวทนาุ น, นั ส, สนาดสองระการนีร้ก็ดีก็มีความเข้าใจดีแล้วสามารถจะห้ามพันกีนในผู้ประเทศไทยวินาศไปได้ <c oughs> อตาตมาจึงจะขอถวายปรคอนแดระมหาบอกกิโดยเฉพาะการเสด็พระบาลีตามีองค์สมเด็จพระจินศรีด้วยทรงจัดว่าดู่อนพิสุขระายอย่างไรที่คง พอสุยอมพิจารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์ในเวทนาเนเลียงเลียงอยู่เมื่อดูก่อนที่สุขหลายที่สุดในธรรมวินัยนี้เมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชักว่าบัดนี้เราเสวยทุกเวทนาเมื่อ่เสวยอทุกขมรสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกมีอารมณ์เฉยเฉยก็รู้ชักว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขมรสุขเวทนาที่เรามีอารมณ์เฉยไม่สุขไม่ทุกเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอารมณ์ ว่ามีอะมิตรกคือเกียวกับเดชมาคุณกามาคุณนี่ก็มหาภพสงสารถุนว่ามีอะไรบ้างอาจะมาจะไม่อะไบารรู้ชว่าปันี้เราเสวรสุขเวทนาที่มีมิหรือว่าสวรสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรที่ไม่เกียกัมาคุณ ก็ร <utan. S 2> ู้ชัดว่าปัตนี้เราสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอภมิตรหรว่าสวยทุกขเวทนาที่มีอิมิตรก็รู้ชัดว่าปัต t ี้เราสวยทุกขเวทนาที่มีอิมิตรหรืว่าสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอิมิตรก็รู้ชัดว่าปั n ี้เราสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิ หรือเมื่อเสวยอทุกข์อาทุกข์มาสุขเวทนาที่มีอามิตรคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่ามีอามิตรมาเกี่ยวพันด้วยมันเฉยเฉยเพรอารมณ์ติในมิตรหลายเหล่านั้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอาทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรหรือเมื่อเสวยอาทุกข์มาสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตร ก็รูร้ชัดว่าปัตติย์เราตัวเราทุกเมาสักเวคานาที่ไ ม, ม่ยัมิดดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปในภายในว่างย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปในภายนอกบ่าง ย่อมพิจารณาเห้เวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็ธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือมสร้างขึ้นทั้งความเสื่อมไป ในเวทนาบ้านก็หรือสติว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เ ท, เทนั้นแต่เพียงแต่ว่าเป็นที่รู้แอเพียงแต่ ว, ว่าเป็นที่อาศัยละลึกโดยย่อมไม่ติดจูด้วย ย, มมย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนที่สุขไหลที่สุดย่อมที่เจริญในเวทนาในเวทนานิยงๆอยู่อย่างนี้และอันนี้จะเป็นเวทนานุภัสนาในมหาสัตปิบัติธรรมตามที่องค์สมเร็จพระวิจิตธมมารมมาศาสัดาสมมาสุภเดทรงสังสอน อาตมาคิดว่าเพีงอาตมานำแต่กำบาลียองสมเด็จนิณสีตะให้เอาจิตแต่พิจารณาเวทนาเพงเท่านี้เพงเนื้อแท้อย่างนี้พระมหาบุพก็มีพระปิชาสามารถพอที่จะสามารถพิจารณาได้ว่า การที่เจริญเวทนานั้นมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์กันไปโดยเฉพาะเวทนาทั้งหมดเป็นโลกะรั้ก็สุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีอสุขมทุกเวทนาก็ดีใการสบายอารมณ์ เ่แต่ามากำลังถวายละพอลโยนนี้ได้ใช้สายตามองไปทะเลที่ทะเลกำลังมีคลื่นใหญ่และวฝั่งนะทะเลก็มีคึื่นเล็กสภาพของคลื่นไม่สมำเสมอกันในที่สุดนลายในที่สุดนั้นเคลื่อนของทะเลก็มากระทบฝัง กระพบแล้วแทนนี้ชื่อจะหายไปน้ำกลับย้อนถอยหลังกลับไปตั้งเป็นชื่นใหม่สมัมกระทบอย่างนี้ถ้าจิตของบุคคนเราเข้าไปกระทบกับครื่นของอารมณ์แต่ชื่นนั้นเป็นอิทธารมตามที่พระอาจารย์วันสวายสะพอเป็นคลื่นที่มีความพอใจ ที่เราเรียกว่าตา ม, มาคุณก็ดีแต่ ก, ก็มีอวิชหรือว่าเป็นขค้นที่มีความพอใจในการสงบสงัดจีจตระเสกใจอวิก็ถือว่าจิตนั้นยังเป็นจิตที่ไมดียังมีความพอใจในขค้นเอง่าเครน่องไม่มีเวลาหยุด จ ะ, บะพบแจอแท็กเป็นชุ่มและจะชุ่มใหญ่อยู่ตะเวลาก็หากว่าจะเป็นอาการร่างกายของคนอ็จอรู้สึกว่าร่างกายของคนนี้เต็มบริการเหนื่อมีกิจขาที่ จ, จ, บ, จบมนี่ได้ชื่นที่จะตั่งดูมันว่าชื่นจะหายไป แล้วเครื่องก็นะก็ตัดกลายไปเป็นขึ้นใหม่ต่อไปอีกถ้าเพื่อนเครื่องจะเพื่อนลงสูงบ้างตามบ้างแล้วในที่สุดก็มาจะพบปัญหาสภาพคล้ายปันจะหายไปแต่จะกก็ไม่เอาวก็ใจก็ว่าก็ไปหายกลับไปเกิด ข, ขึ้นมาใหม่ข้อนี้มีประมาชั้นใดก็จะเทียบได้กับจิตใจของบุคคลที่ยังพอกระจายอยู่ในซุ้นของทีเลย เรื่องธรรมะจะทำลายจิตตัดจิตเล็กไมเป็นสมมติเหตุเบื้องหลัได้เรียอ ต, ต้องมีสภาพมันน้นที่มีคลืนจะต้กตกฟังดูเมื่อจะหายไปแต่การหายเป็นจริงตายหายแต่ใจคือกระแส น, น้ำจริงๆไม่หายนำให้กลับไปเกิดเย็นไหวาตายเกิดไดนวัตถะสงสานใหม่ กำลังใจของบุคคลที่ยังมีความพอใจในเึื่องเป็นโลกะสมก็เป็นกำลังใจที่เป็นในความเหน็ดเหนื่อยหาจุดจบไม่ได้ข้อนี้มีคนมาชันไดก็เหมือนตัวเอนในทะเลฉะนั้น้นาตติมาขอถวายรัอน์ว่าอง ค, าค์สมเด็จพระบิกตมาทรงจับไว้ในตท้ายว่า เมื่ความเกิดขึ้นหรือว่าความเสี่ยงไปปรากฏแล้วองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วตัดว่าหรือว่าสติว่าเวทนานีอยมเข้าไปตั้งอยู่มเฉพาะหน้าจุดนั้นเทียนกาตัดว่าเป็นที่รู้เท่านั้นเราไม่กมไเกาะมันไว้เทียนตาตัดว่าเป็นที่อาศัยระลึกเพื่อย่อมไม่ติดโจรด้วยในอารมณนั้นในอารมณ์ของโลกกัสั และย่อมไม่จะเสียอะไรอะไรในโลกทั้งหมดด้วยดูก่นที่สุดอะไรที่สุดย่อมที่จะ น, นา ย, ยิางเวทนานเรียงเรียงอย่างนี้ถ้าจิตไม่เกาะในโลกกระทำทั้งหมดตามี่องค์สมเด็จพระเบรมาสุโิโชติก็จะวา่าจิตของท่งานผู้นั้นเข้าถึงอธิโมคั์เองว่าทำเป็นเครื่องผ้แจกวามกเกิดแก่เจ็บาย สำรับในเวท น, นาลุบสนามหาปฏิสทาิสัยอาตมาขอถวายพระพรเช่นเท่านี้ขอถวายพระ